รู้จากตัวเองาการเปิดพวกเราการที่จะมาลู่มาเห็นตัวเองคือต้องมีสติเป็นดวงตาภายในให้ดูให้เห็นอย่าเปิดเวลามันแสดงออกอะไรมาอย่าเป็นไปกับมันจึงจะเป็นการดูตาภายในคือความรู้สึกตัว มีแล้วอย่าหลับไว้เดินขึ้นมาให้เห็นหาวิธีดูให้เห็นเห็นเห็นกายเห็นกายไม่ใช่ชิดเห็นการเห็นจริงๆมันเป็นการสัมผัสเช่นกู้เฉินเข้าเหยื่อเฉินออกบ้งต้นการถึกสูงะชีวิต าพระสิท ธ, ธะไดกระทำมาจนเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาไปในคืนเดียวเพราะดูกพดูกายันก็เห็นอะไรอีกมากนอกจากเห็นกายเห็นเป็นรูปแต่ก่อนก็เห็นเป็นกายอะไรก็เป็นตัวเป็นตนได้ง่ายเห็นเป็นกายเนี่ย ร้อนเคยกูหนาวยกูหิวเคยกูปวดยกูเจ็บเคยกูมันรู้จักแยกตัวมันเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นลึกซึ้งกไปไม่ใช่กูกายสัตว์กายไม่ใช่สัตวุคนตตนเราเขามันเป็นธรรมชาติ เป็นกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่ของธรรมชาติของกายมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครเป็นใหญ่กับมันได้มิเตช่วยให้ถูกต้องจึงจะเป็นประโยชน์ถ้าใช่ผิดก็เป็นโทษตอนเรื่องของกายเนี่ยการใช่ให้เป็นก็คือเห็นอย่าเป็นมัน สุข่าเป็นสุขมันทุกจะเป็นทุกมันรอดจะเป็นผู้รอดมันปวดจะเป็นผู้ปวดมันเหวอยวจะเป็นผู้เหิวเดี๋ยดูให้เป็นทำให้มันเป็นถ้าเป็นไปกับมันก็เป็นเพราะเป็นชาติสุขก็เป็นสุขทุก็เป็นทุกปวดก็เป็นปวดเหิวก็เป็นเหงูมันก็ไปไม่ถึงไหน ถ้าถูกมันยึดไว้ถูกกายยึดไวยกายก็ใช่สุ้โศกกายใช่ให้ทุกกายใช่ให้อาต่างๆมากมายเสียเวลาไปกับกายรับใช่กายยิ่งถ้าไม่รู้มันก็เป็นภาระ พลาาเวเปัญจขันธ์ธาหนักเข้าไปขันนักห้าเป็นของหนักเน อ, อเราจึงมาเห็นเนี่ยเึงกายสว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลเขานั่นไปแล้วหลุดไปแล้วผ่านไปแล้วถ้าเห็นถ้าเป็นไม่ผ่านเห็นมันจึงผ่านจะเป็นทางไป ก็มันเห็นก็เป็นทางถ้าเป็นไม่เป็นทางลลกหลงลังแล้วสุกก็ลุกทุกข์ก็ลุกไม่ผ่านในทางนี่มรรคคือทางมรรคคือหนทางเส้นเดียวที่จะผ่านได้มีทางเส่นเดียวผ่านผ่านสุขมือนทุกขผ่านความโลกความกดความหลงผ่าเกิดเจ็บเจ็บตายคือเห็น ให้ก้าวออกจากที่ถ้าเป็นไม่ได้ก้าจะก้าวเลยเป็นเห็นเป็นรูปเห็นกายเห็นเป็นรูปไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นรูปทำที่มันทำดีมันทำชั่วนั่งอยู่นี้เป็นรูปมันรูปเลยได้เป็นนามเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นด้านที่ของธรรมชาติของรูป ย่ามาเป็นตัวเป็นตนจึงเห็นรูปเห็นนามไม่เห็นกายก็เห็นเห็นนามเห็นรูปเห็นนามถ้าเห็นเป็นกายมันจนง่ายสุข ก, ก็สุขไปเลยทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยถ้าเห็นรูปไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นอาการเท่านั้นเองให้มารู้จักตัวเรา สุทุกข์เป็นาการความร้อนความหนอเป็นอการความหิวเป็นาการไม่ใช่ตัวเชื่อตนเราก็ถูกอยู่นะในวงวนนี้บางท่านที่ไม่มีจริงเคยสุขอยู่ที่ไหนสุขเคยทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์มันก็ไม่มีจริงเคยพอใจเคยไม่พอใจอยู่ที่ไหน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 มันจะบอกว่านี่คือลูกไม่ใช่ตัวใช่อตนที่มันลูกลราได้เป็นนามธรรมเหมันกับลู ก, กว่านามธรรมเปิดทุกข์เปดโทษกัที่รูป ท, ที่นามธรรมเราจะช่ยให้มันทำ ม, มันก็ทำดีทำดีคือจะให้ลูปมันทำดี ความชั่วใช่นาำ ม, มันทําชั่ววันนีนะ้มีความดีความชั่วเราไม่ได้เป็นใหญ่นั้นมีอะไรที่สั่งไปมันความหลงความหลงใช่รูปกวามหลงแช่น้ำไม่ใช่สติควหลงไปเจ้าของกายก็เลยเถื่อนประสุกเป็นทุกข์ใจก็เลยเถื่อนประสุกเป็นทุกข์ สมสอนสุขก็มีทุกขก็มีที่เกิดกับกายกับใจมันสมสอนเร้ว่าผมหลงมันใช่ผิด ก, ก็มีสติเป็นเจ้าของก็ใช่ถูกต้อ ง, กกองอมีสติเป็นเจ้าของก็ใช่ถูกพัวมันหลงกว่าลูกเจ้าของตัมันสุกก็รลูกเป็นเจ้าของไม่ปล่อยให้สุกไม่ปล่อยให้ทุก มีเจ้าของเหมือนพ่อแม่ไม่ปล่อยให้ลูกลำบากเป็นหลักกาละดูแลอยู่ที่รูปน้ำมีเจ้าของก็งไม่ปล่อยให้ลูกเป็นสุขเป็นทุกข์ให้เห็นง่ายๆการเป็นมันมันยากการเห็นมันง่าย ถ้าสุขเห็นสุขถ้าทุกข์เห็นทุกข์มันน้อยมันจบถ้ทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นทุกข์หลงเป็นหลงไว้จบก็เห็นมันจบมันจบไปมันจบไปมันหลงเห็นมันจบไปแล้วผ่านไปแล้วมันรู้เห็นมันผิดเห็นมันถูกเห็นผ่านไปแล้วเป็นมากแล้วเ้าไปแล้วเอหลงไว photon, ้หล e? ังเอาสุขเอาทุกข์ไว้หลังเลยไป อะไรก็ตอบคำเดียวเห็นไม่เป็นสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมผารไปแล้วใจออกไปเมื่อไม่เปิ้อนม่เพื่อนความสุขความทุกข์เห็นมันสุขมันทุกข์เห็นมันหลงเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นมาสิบพันอย่าง เห็นทุกอย่างควา ม, วามงา่วเงาหอยนอนก็เห็นความคิดสั้นๆก็เห็นความลังเล ส, สงสัยก็เห็นไตรบาตที่มันเกิดขึนามมาาาด้นก็เห็นการมมราคฆาเกิดขึ้นก็เห็นมันมีมันเป็นขึ้นมันน้ํานลมพัดก็เป็นขึ้นอาการต่างๆเรียกว่าอารมณ์ ความโกรธเป็นอารมณ์เหมือนน้ําที่มีลมพัดน้ําน้ําก็ยกเพื่อขึ้นมาันขึ้นไม่ใช่น้ําอารมณ์ไม่ใช่รูปไม่ใช่น้ำนั้นเป็นอาการเราเห็นก็มีอาการเหมือนกับน้ำในชะเราโยนก็เห็นลงไปน้ําในชะก็กระเพื่อม แล้วแต่สิ่งที่โยนลงไปหนักเบาถ้าน้ามันเกิดเพื่อมันก็ไม่ใช่น้าําพรามันมีอย่างนั้นมีรูปมีน้าําก็เป็นอย่างนั้นโยงเกิดก็เจ็บนั่งน้นก็ปวดก็เมื่อยไม่มีอะไรที่มันสัมผัสมันก็เกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นรูปเป็นน้ํามไอ้ชิ่งกอนอีกก้นหิน ลูปาำนามทำมันเป็นอย่างนี้การกับเพื่อนที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมันเนาการอย่าไปตู่เอาว่าเป็นเราเราสุขเราทุกข์เราเจ็บเราปวดเราล้นเราหนาวเราหิวเราแค่เราชนะเราผิดเราถูกปฏิบัติตายบางทีมันหลงก็อย่าถืงว่ามันผิดมันเป็นอาการ จะให้ผิดเป็นผิดให้ผิดเป็นรู้มันถูกก็อย่าให้เป็นผู้ถูกให้ถูกเป็นรู้ไม่ต้องไปเป็นอะไรกับอนลายเรืร่องคนเดินทางคนเดินทางต้องหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นขณะที่เดินอ้าสิบกมร้อยกมสามร้อยกมสี่ร้อยกว่าม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 ความถูกก็มีรสชาติผ่านความผิดก็มีรสชาติการโศกก็มีรสชาติผ่านทุกก็มีรสชาติรสชาติโศกทุกข์มันเป็นรสของโลกเป็นรสของโลกพอใจเป็นรสของโลกไม่พอใจเป็นรสชาติของโลกมาเห็นโลกวันนี้ให้เหมือนอย่างให้มัเห็นอย่างเฉมแจ้ง พระพุทธเจ้าว่ารูโลกอย่างแข่มแจ้งรู้แล้วสุกก็รู้แล้วทุกก็รู้แล้วผ่านมามากแล้วสุกทุกข์ผิดถูกผ่านมามากแล้วเจริกกาขึ้นแล้วไม่เปราะบางถ้าสุขเป็นสุขเหมือนอ่อนแอทุกข์เป็นทุกข์อ่อนแอผิดเป็นผิดก็อ่อนแอ มันยอดไม้มันอ่อนมันก็ไม่ออกดอกออกผลออกลูกได้ดูก็รู้ถ้าตกแลดูโรนโดนไม่ออกยอดแสดงว่าไม่เปลูกแล้วไปนี่เสียเวลาไปแล้วฉันเราเมื่อเราปลูกมะม่วงถ้าตกเ ก, กนินมุกกระลาควงพายอดมะม่วงตู้ตู้ไม่มียอดนั่นอะออกดอกแค่ ถกฤดูมกลากมพาา ม, ม่วงออกยอดปิใบออกมายอดอ่อนไม่มีทางจะเกิดโรคได้ไม่เจกก็ชีวิตดอกก็เหมือนกันถ้ามันอ่อนแอมันก็ไม่เจก้าให้สมาที่เกิดดอกออกขนสุกเป็นสุกทุกเป็นทุก เป็นพวามอ่อนแอถ้ามันเห็นสุขไม่เป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์เจริขึ้นเมื่อเจริขึ้นก็ไม่เปื้อนเปื้อนกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาสุขเป็นปัญญาทุกข์เป็นปัญญาก็เลยได้ปัญญาปัญญาเป็นผลปัญญานน้อยเกิเป็นศีลเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญา ศีลก็กำจัดกิเลสยังจับจับได้ปกติได้ตาเห็นรูปปกติหูได้ยินเสียงปกติจมกูกได้กลิ่นลิ้นและลได้รสปกติไม่หวั่นไหวนี่คือศีลไม่ใช่สมาธิศีลศึกขาศีลถลุงศีลละกิเลศีลละเครื่องโศร้าอ ง, มองไม่ใช่ไปขอไม่ใช่ไป พิธีกรรมเป็นตานปฏิบัติในศาสานามีศาสนาพิธีศาสนารธรรมศาสนพิธีมีแต่พิธีกรรมเป็นพระหิทธาธรร ม, มภายนอกมีแต่ภายนอกหรือบวดเป็นผ้าเหลืองถือบวดเป็นผ้าขาวภายนอกอัจฉริยธรรมเป็นภายในเว้น ภยนคือเห็นไม่เป็นนี่บวชแล้วสุกไม่เป็นถูกไปแล้วทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไปแล้วดำริออกไปแล้วออกไปแล้วเรืยกว่าเนีคขมมะดำริออกไปเห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยไปแล้วเรียกว่าเนคขมมะถือบวชเป็นอุบายภายในใครก็เป็นได้เป็นชั่วทำดีได้ทุกคนมันหลงไม่หลงก็ทำได้ไม่ต้อง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 คนเราคงหลงเป็นคนหลงเขาคสุขโก้คงทุกข์เป็นของตัวเองแต่เราไม่เอาสุขโอทุกข์ที่เขาเป็นนั้นมาเป็นเราเป็นตัวของเราเองเราก็เห็นทางนี้เราลวงพ้นภาวะเก่ามาดูตัวเองอย่างนี้เรื่าปฏิบัติธรรมไม่สิทธิเท่าเทียมกันอย่าไปมีผมน้อย ท่านเป็นนักบวชเราเป็นฆราวาสไม่ต้องไปชิ้แบบนั้นท่านขาดีฉันขามันขาดไม่ชีพี่แบบนั้นมันเป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเป็นชายได้เป็นหญิงเด้เป็นคนโหนมเราเป็นคนเก่อย่าไปเอาแบบนั้นมาต่อรองสติของเราเวลาหลงเราไม่หลงได้มีสติเรื่องนี้เรามาโกรธเราไม่โกรธได้เรามีสติเรื่องนี้ ใช่สิทธิของเราเราเห็นอย่างเนี้ยมันเป็นสาเหเราจะบอกอย่างนี้เราจะพูดได้ฟังมันเป็นจริงอย่างนี้มันหลงไม่หลงก็ได้มันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้มันโกรธไม่โกรธก็ได้ให้เห็นอย่างเนี้ยไปซะพ้นไปซะอย่าเป็นเนี่ยขนส่งตัวเอง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 อย่พ่นไปแล้วพูดเมาื่วาเนี่มรรคองสุดท้ายคือเห็นละสุขละทุกข์เสียได้จิตผุดขึ้นจิตเป็นเอกมีสติแล้วละอยู่ที่สุดมันเป็นอย่างนั้นโรเจ้านีพานที่ตรงนี้ไม่มีสัญญาเวทนาก็ไม่มีสัญญาไม่มีเวทยิทธินี่รธด ภาษาว่าจากนั้นคือไม่เป็นนี่แหละคือเวทยุทธิสติที่มันไม่เป็นอะไรนี่แหละเวทยุทธินีโน่โลดนี้โลดคือความบดทนเป็นที่ถูกแห่งทุกแห่งภกแห่งชาติสิ้นทุกสิ้นภพสิ้นชาติไม่เป็นนี่ยมันสิ้นภพสิ้นชาติชาติสิ้นแล้วภพจันทร์อยู่จบแล้ว จิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วเนี่ยนั้นเป็นทางไปการปฏิบัติทำการมาดูตัวเราได้บทเรียนจากตัวเราเป็นพระสูตรพรสูตรคือกายคือใจเรานี้เราได้ระเบียบแบบแผนจากกายจากใจนี่เรียก ว, ว่าวิัยเราได้ความจริงความเท็จจาก กายจากเจเรานี้รว่าพิธรม ร, บบธรมประมัติถัสภาวะธรรมเจตจิกรูปนิพานนี่เป็นประมัตมีจิตไหมมีรูปไหมจิตมันเจตจิกเจตชิกของจิตคืออะไรหวนคล้องมันอยู่เฉยมันก็ไม่ดังเ้าเอาข้อไปตีมันจะดังไหม ทำไมเพืออ่อนเอา้อนตีข้องมันจะดังบอมันเพีงยงค่อยดังไม่เพียงค่อยดังเอาที่บ่ <c oughs> อยคมดังเลยบะเพราะเอาข้อนไปตีอ่าิก็เจตสิกคือมันคิดเป็นมันสุขมันทุกข์เป็นเรือว่าเจตสิกกายมันร้อนมันหนาวเป็นล่างกายคำเรียก ว, ว่าอาการเจตสิก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 มันหาเหมือเช่าได้ยินไปตีสี่ได้ยินเสียงคลอกมาได้ยินไหมหลังตาอไม่ได้ยินเลยหูหัวเดี๋ยวนี้มันดังไหมเสียงคล้องดังไหมอันเสียงใครประดังอ่ะบอตีอันจิตเมื่อไม่คิดเมื่อไม่ใช่มันก็ไม่มีอะไร มันจะสุขจะทุกข์เพราะมันมีอาการไปเคาะไปตีมันสมมุติอยู่ตรงนั้นเมื่อตาเห็นลูกสมมุติว่าชอบเอาดังขึ้นแล้วตาเห็นลูกสมมุติว่าไม่ชอบดังขึ้นแล้วมันก็หายไปอันความชอบความไม่ชอบนะมันหายไปไม่ใช่ตัวใช่ตนเรารูว่าเราชอบปัญญิสมมุติปัญญิ ว่าชอบสมมุติบัญญัติว่าไม่ชอบเมื่อสมมุติบัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบอุปทานไปยืดเต๋าอุปทานพี่เต๋าลาบบ้าเราถามตามความชอบถ้าความรักเกิดขึ้นก็ทําตามความรักถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็ทําตามความโกรธเสียผู้เสียคนมามาก เช่นนางมลลักโจรจันทกรลบสามีของตัวเองไม่ลักพอเห็นโจรสูงขาวกว่าจันทคุลบจันทกรลบสู้กับโจรจนเหลือแต่หัวหน้าโจรนอกนั่นพ่ายแพ้ไปหมดแล้วมาสู้กับหัวหน้าโจรโจรก็ล้มลงจันทกรรบเบี้ยวไว้ ขอดาบจากนางโมลาจนสมัยก่อนเขาทาสงครามกันเขาเอาดาบเอามีดออกทําเต่ตัวพอโจรล้มหล ง, ลงจันทกุลบขอดาบเห็นว่าเป็นหัวห น, น้าโจรจะมาฟันคอโจรแล้วมันขาดขอดาบกับนางโมลานางโมลายเห็นโจรสวยกว่าจันทกุลบ สมเขาเกิดลักโจรขึ้นมาเท้าเดียวนั่นตัดสินใจเลยยื่นดาบให้โจรเลยโจรก็ฝันจะโคตรตายไปเลยทำไมจังลักโจรทำไมไม่รักสามีของตนเพราะอะไรมันดังขึ้นมาเกิดความรักทั้งว่าเราต่อจันทร์โคตรตายไป โมลาก็ขอเป็นเมียของโจรโจรมึงก็ด่าเอาชาติชั่วตั้งแต่ผัวมึงจะฆ่าได้กูจับมึงเป็นเมียได้ไงให้มึงตายอยู่ในดงในป่า <c oughs> นางโมลาก็ตายอยู่ในป่าในี่ดูเจ้าตายเป็นนางเช น, นีเทวทุกวันแนวเคยได้ยินเสียงเช น, นีร้องไหมสมัยบ้านเราเย้ยไหมโอ้โอ้ เรามาลองว่จนตะคุโจนตะคุโตาายัางงนตรงไหนวะเป็นนางชนีลองให้ตลอดเพราตลอดชติเสียใจจะเอาสามีคืนก็ไม่ได้แล้วขอขาดะแล้วตัดทิ้งใจทำตามความรักตัดทิ้งใจทำตามความโกรธเส้นกล่องข้อน้อยข้าแม่เนี่ย หิวข้าวไม่ว่าจ้าจินข้าวมะเย็ยมแม่เอากล่องข้าวเล็กๆมาส่งโกรธแม่พราะความหิวเกิดขึ้นอาจจะทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษถ้าแม่ตายไปถ้าแม่ตายมาจึงข้าวข้าวก็ไม่หมดเราจิงมข้าหมดเสียดายแม่แม้ก็ตายไปเราวทุกข์ข้าไปแล้วเอาขึ้นกูไง ไปดูจังหวัจะโชยถอนเห็นาธาตุกองเขาน้อยข้าแม่อันนั้นอะไรเราไปนึงว่าเราสาเชียงค้องมันดังไปแล้วมันก็จบไปแล้วไม่มีเราสมวิญัณย์อุปทานยืดเอา เมื่อเป็นอุปทานก็ยึดมันมนมมนดม่นถือมั่นําตามความยึดมั่นถือมั่นเป็นพระเป็นชาติชาาารามนัสโศกปิเตวทุกเป็นพระเป็นชาติหนึ่งตกนรกหลงปลายร้อนใจหลงไปเป็นทุกข์หลงปลอยได้สวรรค์ น, นิดหน่อยเป็นโสด ข, ขึ้นมาก็หายเบียดละนอนไปอีกล ะ, กกละมันอยู่ที่ไหนแน่สสดทุกข์นะมันไม่มีมันมีแต่ธรรมาชาติเป็นอาการเท่านั้นเอง เป็นอาการของลูกของนามให่เห็นอย่างนี้ือยว่าเห็นธรรมเรามาสอนกันแบบนี้ม า, า, กากึกษาเรื่องนี้ต้องช่วยตัวเองเนี่ยเห็นไหมอารมณ์ในมันเสียงมันไล่กวัวผีไล่กวัวเสือเสือยังไม่เคยกินขนกดคนแต่อารมณ์มัน้าย ข้า พ, พ่อข้าแม่ข้าลูกข้ากันตายอารมณ์เนี่ยอารมณ์ไล่กบเสืออาการนว่าอาการทำเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยหลักสูตรมันอยู่ตรงนี้ได้เห็นเราก็ไม่เป็นผ่านตรงนี้ไขกุญแเจแเจเ้สู้สี่ด่านนี้ให้ได้มันจะไป เรียกว่าบวชเรียกว่าเนคขมะไปแล้วพ้นไปแล้วออกไปแล้วขนส่งตัวเองไปแล้วเป็นสถ า, า, านะปัญญาณแล้วปัญญาญานแล้วเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นเจรเราจบุงควทปฏิยาตังอุทปฏิปัญญาอุทาปฏิ อโลโคอุทปติเราสวดธรรมจักจักคุอุทปติจกักขุคือตาภายในเกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วจกขุคือดวงตาตาอันนมาดูตัวเองนะจักคุอุทปติดวงตาคือดแล้วเจอเราปัญญาอุทปติปัญญาเกิดขึ้นแล้วเจะเราเราไม่ง้อแล้ววัน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 ในการเทศนาเรื่องธรรมจักรพปวัตตาโสดพูดเรื่องนี้เราก็มาทํากันแล้วเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรเราไม่พูดในท่านมากาบไหวเราเราจะบอกแต่เนี่ยพูดแล้วทิ้งเราหนีไปเลยเราไม่ต้องเอาอะไรก็ได้เราจะบอกแต่นี่ชีวิตเกิดมาร่วมโลกขหนึ่งหรือว่าบวชในพุทธศาสนา จึกษาเรื่องนี้ตัวทิศเรื่องนี้มาทิ้งลูกทิ้งเมียมาคุ้มค่านะไม่เสียเวลานะจนบอกแม่เลยที่เดียวว่าแม่เลี้ยงลูกไม่เสียค่านมอมลูกมาเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นจึงบอกเรื่องเนี้กระตือรือร่นมาแต่ไม่ยอมแก่นะบอกเรื่องเนี้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 ถ้าไม่มีข้าวจินถามฉันตุ้มจะินุชอย่ามาถามน้องตาถามแม่ชีก็ได้มีไม่ข้าวจินไหมแม่ชีไหมวันนี้จะมีไม <laughs> หมถามว่ามีอยู่เนอะไปคิดอะไรจะยืงยังไงจะนอนอยังไงไม่ต้องไปคิดหรอกเมื่อแต่มาทมําให้เราพอใจแล้วที่ให้มีอย่างนี้ขึ้นมาก็ต้องการอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ อยากมีที่นั่งแบบนี้อยากให้คนมานั่งแบบนี้อยากจะพูดแบบนี้นะสุดความสามารถสมปาะถนาของเราเราเราอุตสาหอยู่ที่มารอคอยท่านทั้งหลายมาเกือบสี่สิบปีแต่ก่อนเราอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีผู้มาอยู่ตายก็มาเสียดายชีวิตได้บอกเรานะถ้าท่านทุกข์ก็ถือว่า ไม่ใช่ความผิดของเรานะอย่าไปว่าโอ๊ยบุญไม่ช่วยเราศาสนาไม่ช่วยเราพระสองฆ์มาช่วยเราอย่าไปคิดแบบนั้นใครจะช่วยท่านได้ถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองฮะใครจะเจงล่ะไม่มีมีแต่เราเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยชคิดมาเนี่ยแล้วเราหลงคนอื่นเขาไม่หลงอะ่ะก็โวเรทุกข์คนอื่นเขาไม่ทุกข์อะ่ะแล้เราโกรธคนเห่นเขาไม่โกรธน่ะ อ่อยไหมอ่ยความหลงไหมให้รู้จากอายความหลงบ้างไหนด้านๆนั่งอยู่นี่มันอยู่เนี่ยยังหลงไปลงคิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงคนเกียดชังคิดถึงคนรักไปโน่นอยู่อ่ยไมใช่ไม่ใช่แล้วจิตแล้นั่งอยู่ต้นชีวังโพคิดถึงพี่าเอ้าบ้าเด้เนี่ยเอาเมื่อคำหัวจนหัวรุนแล้วหมคิดถึงลูกถึงเมียยังไง เลงไปแต่กอเมื่อเนี่ยมองยึ้มมาปุ๊บเห็นใหม่พุทโธลูกจากตัวกนมาจังป่าอยู่นี่ทไเลยก็น้องบอกตามว่ายู่แสนเข้าเยื่อฉันหลอมตัมันหลอมกปับก๊บนมากัมาลูกกันมาพอมาลูกลกลึกซึ่งแล้วเรื่องแน่ลุกขึ้นมาพอปเทศันทชคีปันชีรูุกแล้ว บางนี่มีไหมสาลาหน้าไปดูปางนี่อันปางนี่เป็นพระติเจ้าบางนี่สอนคนอื่นือลูรัมบางนี่เป็นพุทธเจ้าบา ง, นนาางทำอ า, านี่เป็นสำมหาสมพุทธโธหรือว่าแน่นอนหรอกการตัดลูกขเขงหนอมีพระธรรมวจสอนเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์บรรพีเป็นเฉลยก็ห้าคนแล้วนะแน่นอนรหรอกจบพวกคน หวนขนกินมาพูดลงตัวแน่นอ น, นก็าันจีนนยะเขากลับไปบ้านยังไงอยู่จักโตเขาว่านี่อะไรเขาเนี่ยก็ไม่รู้แล้วก็ว่าอย่างนี้ฮะแต่พระเจ้าไปดูพระพุทรูปปางเนี่ยอยู่ที่สลาหน้าหน้าปางเนี่ยชนะมาน ับางนี่ตัดสู้รู้เฉียนเขาเหยื่อเฉีนอนมีไหมมีเฉียนไหมรู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้สึกหมรู้สึกไหมรู้ไหมรู้ทุกคนต้องขอใครไหมรู้เนี่ยขอคมรู้หลงตาเอามาให้เฉีนด้วยไม่มีทางม่แต่หมองเองรู้เองนะ ไปหลงอยู่ที่ไหนกันเวลามันหลงลู้ขึ้นมามีสติเรียกว่าปฏิบัติธรรมบอกแล้วนะถ้าท่านทุกไม่ทุกนะถ้าท่านโกรธไปโกรธนะถ้าท่านหลงไม่หลงนะแต่ทุกข์เพราะความทุกข์อย่าหลงเพาความหลงอย่าโกรธเพราะความโกรธไปยันหนะ้ามีอ่ะเจนไม่มีเลย ไม่ได้เจ็บเพื่วมเจ็บไม่ได้เจ็บเพื่วมเจ็บไม่ได้ตายเพื่วมตายนึ่คือชีวิตของเราชีวิตของเราคือไม่เป็นอะไรถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีชีวิตเลยชีวิตไปห้อยไปแขวนกับสุขกับทุกข์ไม่ได้ชีวิตต้องเป็นชีวิตเนี่ยคือชีวิตชีวามีชีวิตชีวาไม่หวนเจ็ไม่มีวันเจ็บไม่หวนตายชีวิตแบบนี้ในสธิทุกคนนาะ เราจะไปเสียเวลาที่ไหนมาเถอะมาอยู่เนี่ยมาศึกษาแล้วนี่ยแล้วไปบอกกันอีกเยอะแยะเรามีพี่มีนอ้องมีพ่อแมอ่มีปัญญามีสามีมีลูกเป็หลากไปบอกเขาเวลาคนผิดอย่าไปเกียดเขาให้สงสารคนที่ผิดสงสารคนหลงเขาหลงเขาจึงทําไม่ดี ถ้าสอนให้เขาไม่หลงหน่อยจะดีมากเป็นบุญนะทําบุญแบบนี้พวกเราเราไม่มีเงินไม่ทองไปสร้างโน้นสร้างนี่หลังต่อท่านเหมือนจะสร้างองค์พวบาลที่นี่นี่ไม่มีเงินสร้างมาไรขอสร้างบุญแลยแต่ถ้าหลงขออย่าหลงถ้าต้องโกดไม่ต้องโกดเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีนะี่เรียกว่าบุญแล้ว เปลี่ยนความทุกข์เป็นบุญแล้วเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธ เ, เป็นบุญแล้วนี่ขอทำเนี่ยถ้ามีบุญตรงนี้ก็มีบุญเลื่อยไปสมัยหนึ่งกําลังจะได้ลงไปบานแล้วสองสิบล้านแต่ว่าเมื่อตกไปทรัพย์ใหญ่แข่งกันสมัยก่อนถ้ามาไปกับทรัพย์ใหญ่ เราเลยได้จริงก่อนทรัพให่ใชภูมิเนี่ยในะช้ท่ามาไปเราเลยไม่ได้มัวต่อรอกันอยู่ตาเห็นกองอ ก, ก็จะเอาบ้านเก่าก็จะเอาท่าไฟก็จะเอามันแย่งกันอยู่เลยไม่ได้เลยเลยจหน้าหน้ามันแย่งกันเหมือนย้าสองกองกองหนึงอยู่ทางนี้กองหนึ่งอยู่ทางนี้แต่ควยสองตัวผูกติดกันดันกัน ใช่ไหมผูกคอตีกันต้นหน่งเกีดดันไปกินกองนะี่ต้นหน่งเกีดดันไปกินกองนะาาอี่ย่ากูหย่นดันไม่ถึงดันก็อยู่นะะได้ไหมจะทำไงจีกจะได้กินยา่าฮะจะทำไงจีกินย่กยกยากองนี่ได้กินย่ากองนี่ได้แต่ควายสองตัวผกูกปิดกันเนี่ยมันดันกันยังไงไม่มีทางได้กินจะทำไงควายจะกินย่าอะไร ควยสองตัวไงฮะดันมันเชื่อขาดเลยมันไม่ขาดเลยเชื่อเชื่อในร่อนอย่างดีอะถ้าดันมากจมูก ม, มันจะขาก่อนจะทำไงขวายิงยีเนี่ยสองกองน่ะควยสองตัวก็ไปด้วยกันไปกินกองนี้แล้วจีเกิลนี่พวกเรา็มาไปกันมั้งจีเกิล สัมังคีเซมังคีตัดดันกันอยู่ไงอทะเลาะกันมาความดันกันอยาให้ความโกรธทะเลาะกันให้ความโกรธโอ้ยเราเฉยใจนะสองคนเดินทางไปชนกันปั๊บล้มลงล้มลงลุกขึ้นมาต่อยกันเลยมึงชูทำมึงมึงกูมึงกูมึงผิดกูถูกมึงผิดกูถูกมึงผิดกูถู ก, ม, ก, ถกมันไม่ได้ลงไม่ได้ ใช่ไหมครัคนสอเดินไปชนกันเองคล้มลงล้มลงลุกขึ้มาขอโทษครับขอโทษผมผิดครับผมผิดไม่ใช่ค <Ph at S 1> ุณเราถูกผมผิดผมผิดถ้ายแย่งกันเป็นคนเผิดขอโทษครับเจ็บไหมท่านนิดหน่อยท่านเจ็บมากไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีด้วยกันเลเออมึงผิดกูถูกกูผิดตีกันเลยคัวจ้องตัวแย่งกันนะนั่นเลยดูช่วยกันนะ มีมหมธะเลาะกันเพราะความโกรธแต่เราอยู่ร่วมกันนี่มิตรฮาติผีเมื่อตายไปแล้วมีแต่ของดีๆมันแกจไม่ได้ไปเรื่อกันไปเรื่อกันส ม, มังชีกันไปนิ้ผ่านได้